ผู้มือชีวิตหมวดที่สิบการทำใจรับความเจ็บป่วยจากหนังสือรักษาใจยามป่วยไข้สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตจัดทำโดยอัจฉริยะสมประสงค์วิไลวันอุ่นเพิ่มทวีรัตนันวิรยาเจ้อกระโทกและวิรยาแท้เห็นพระองค์เคยตรัสสอนว่า ให้ทำในใจตั้งใจไม่ว่าถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วยแต่ใจของเราจะไม่ป่วยไปด้วยการตั้งใจอย่างนี้เรียกว่ามีสติทำให้จิตใจไม่ตกอยู่ในอํานาจครอบงำของความแปรปรวนในทางร่างกายนั้นเมื่อมีสติอยู่ก็รักษาใจไว้ได้เรื่องธรรมกถาสำหรับผู้ป่วย รักษาใจยามป่วยไข้เราทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนนั้นนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดพระรัตนตรัยนั้นก็คือพระพุทธเจ้าพระธร ร, รมและพระสงฆ์ถ้ายึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ได้ตรัสรู้ค้นพบพระธรรมเมื่อค้นพบแล้วรู้ความจริง ก็เอาธรรมะนั้นมาสั่งสอนแก่ผู้อื่นผู้ที่ปฏิบัติตามรวมกันเข้าก็เรียกว่าเป็นสงฆ์พระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบพระธรรมนั้นก็คือค้นพบความจริงเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิตว่าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้านั้นทรงสนพระไัยเรื่องความสุขความทุกข์ของมนุษย์และพระองค์ก็ใช้เวลามากมายในการค้นคว้าเรื่องนี้เพื่อให้รู้ชัดว่า มนุษย์นั้นมีความสุขความทุกเกิดขึ้นอย่างไรถ้ามีปัญหาคือความทุก์เกิดขึ้นจะแก้ไขอย่างไรเรียกได้ ว, ว่าพระองค์เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องชีวิตเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสามารถในการที่จะแก้ปัญหาชีวิตของคนเราและเราก็นับถือพระองค์ในแง่นี้เป็นสาคัญชีวิตของคนเรานั้น ประกอบด้วยกายกับใจมีสองส่วนเท่านั้นกายกับใจรวมเข้าเป็นชีวิตของเรากายก็ตามใจก็ตามจะต้องให้อยู่ในสภาพที่ดีต้องรักษาไว้ให้มีสุขภาพดีจึงจะมีความสุขชีวิตจึงจะดำเนินไปโดยราบรื่นแต่คนเรานั้นจะให้เป็นไปตามที่ปรารถนาทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้ ร่างกายของเรานี้บางครั้งก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งอาจจะเป็นเพราะสาเหตุเนื่องจากการกระทบด้วยโรคภัยที่มาจากภายนอกหรือฤดูการพันแปรไปหรือถูกกระทบกระทั่งจากวัตถุสิ่งของที่แข็งกระด้างแม้แต่น้าต่ำทำให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นหรือว่าร่างกายนั้นอยู่ไปนานๆเข้าก็สุดโทรมไปตามกาลเวลาร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วย อันเป็นไปตามธรรมดาเรียกว่าเป็นลักษณะของสังขารคือสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่มีอยู่ด้วยตัวของมันเองแต่อาศัยสิ่งหลายหลายอย่างมาประชุมกันเข้ามารวมตัวกันเข้าร่างกายของเรานี่เกิดจากปัจจัยหลายอย่างมาประกอบกันเข้าภาษ า, เ ก, าเก่าเราเรียกว่าเกิดจากธาตุดินน้ำลมไฟมาประชุมกัน ธาตุเหล่านี้แต่ละอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนต่างก็พันแปรไปเมื่อแต่ละอย่างผันแปรไปก็เป็นธรรมดาที่ว่าจะเกิดการปรนแปรขึ้นแก่ร่างกายที่เป็นของส่วนรวมนั้นซึ่งเป็นที่ประชุมของธาตุทั้งหมดร่างกายแปรปรนไปก็เกิดการป่วยไข้ไม่สบายนี่ก็เป็นด้านหนึ่งที่นี้ร่างกายนั้นก็ไม่ได้อยู่ลาพัง ต้องอยู่ร่วมกันกับจิตใจจึงจะเกิดเป็นชีวิตจิตใจนั้นก็เช่นเดียวกันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปต่างๆจิตใจเปลี่ยนแปลงไปมีความคิดนึกต่างๆนานาบางครั้งเกิดกิเลสขึ้นมาเช่นมีความโลภความโกรธความหลงใจก็แปรรวนไปตามกิเลสเหล่านั้นยามโลภ ก, ก็อยากจะได้โนอนได้นี่อย่ามีโทสะเกิดขึ้น ก็โกรธแค้นขุนเคืองใจหงุดหงิดกระทบกระทั่งต่างๆอย่าโมหะเกิดขึ้นก็มีความลุ่มหลงมีความมัวเมาด้วยประการต่างๆในทางตรงข้ามเวลาเกิดกุศลธรรมเกิดความดีงามจิตใจเป็นบุญขึ้นมาก็คิดนึกเรื่องดีๆจิตใจก็งดงามจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานสดชื่นเรียกว่ามีความสุข ในเวลานั้นก็จะมีคุณธรรมเช่นมีความเมตตามีความกรุณาต่อคนอื่นหรือมีศรัทธาเช่นมีศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระศาสนาศรัทธาในบุญในกุศลเป็นต้นจิตใจก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปได้ต่างๆแต่ที่สัมพันธ์กันระหว่างกายกับใจก็คือว่าเมื่อกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็มักจะรบกวนทาให้จิตใจพลอยไม่สบายไปด้วย เพราะว่าร่างกายเจ็บปวดจิตใจก็มีความทุกข์หรือว่าร่างกายนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเช่นร่างกายที่อ่อนแอเป็นต้นจิตใจก็หงุดหงิดเพราะไม่ได้อย่างใจอันนี้เรียกว่าจิตใจกับร่างกายนั้นอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อร่างกายไม่สบายจิตใจก็พลอยไม่สบายไปด้วยอีกด้านหนึ่ง เมื่อจิตใจไม่สบายมีความทุกข์มีความหวาดระแวงมีความกลัวมีความกังวลใจมีห่วงหน้าพวงหลังต่างๆมีความไม่สมปรารถนาผิดหวังท้อแท้ใจต่างๆก็ทําให้แสดงออกมาทางร่างกายเช่นหน้าตาไม่สดชื่นผิวพรรณไม่ผ่องใสยิ้มไม่ออกตลอดจนกระทั่งว่าเบื่อหน่ายอาหารเป็นต้นไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกาลังเพราะว่าใจไม่มีกาลัง เมื่อไม่มีกำลังใจแล้วร่างกายก็พลอยไม่มีกำลังอ่อนแรงอ่อนกำลังไปด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของกายกับใจที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันในบางคราวนั้นร่างกายก็เจ็บปวดซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ว่าเวลานั้นความเจ็บปวดของร่างกายอาจจะทำให้จิตใจนี้พลอยไม่สบายไปด้วยซึ่งทางภาษาพระท่านบอกว่าถ้ากายไม่สบายเจ็บไข้แล้ว จิตใจไม่สบายไปด้วยก็เรียกว่ากายป่วยทําให้ใจป่วยไปด้วยจะทำอย่างไรเมื่อร่างกายเจ็บป่วยแล้วจิตใจจะไม่แปรปรวนไปตามพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงค้นคว้าเรื่องของชีวิตไว่มากมายแล้วหาทางที่จะช่วยให้คนทั้งหลายมีความสุขพระองค์เคยพบท่านที่ร่างกายไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์เคยตรัสสอนว่า ให้ทำในใจตั้งใจไว้ว่าถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วยแต่ใจของเราจะไม่ป่วยไปด้วยการตั้งใจอย่างนี้เรียกว่ามีสติทำให้จิตใจไม่ตกอยู่ในอํานาจครอบงาของความแปรปรวนในทางร่างกายนั้นเมื่อมีสติอยู่ก็รักษาใจไว้ได้การรักษาใจนั้นเป็นเรื่องสำคัญในยามเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ กายเป็นหน้าที่ของแพทย์แพทย์ก็รักษาไปเราก็ปล่อยให้แพทย์ทำหน้าที่รักษากายแต่ใจนั้นเป็นของเราเองเราจะต้องรักษาใจของตนเองเพราะฉะนั้นก็แบ่งหน้าที่กันตอนนี้ก็เท่ากับลงใจบอกว่าเอาละ่ะร่างกายของเรามันป่วยไปแล้วก็เป็นเรื่องของหมอเป็นเรื่องของนายแพทย์นายแพทย์รักษาไปเราได้แต่ร่วมมือไม่ต้องเร่าร้อนกังวล เราจะรักษาแต่ใจของเราไว้รักษาใจไว้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ซึ่งได้ยกมาอ้างเมื่อกี้ให้ตั้งใจว่าถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วยแต่ใจของเราจะไม่ป่วยไปด้วยถ้ายึดไว้อย่างนี้สติอยู่ก็ทำให้จิตใจนั้นไม่พลอยหงุดหงิดไม่พลอยอดแอดไม่พลอยแปรปรวนไปตามอาการทางร่างกาย จริงอยู่เป็นธรรมดาที่ว่าทุกขเวทนาความเจ็บปวดต่างๆความอ่อนแรงอ่อนกําลังของร่างกายนั้นย่อมมีผลต่อจิตใจแต่ถ้ารักษาจิตใจไว้ดีแล้วความเจ็บปวดนั้นก็มีแต่น้อยพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้เสมอว่าให้รักษาใจของตนเองการที่จะรักษาใจนั้นรักษาด้วยอะไรก็รักษาด้วยสติ คือมีสติกำหนดอย่างน้อยดังที่กล่าวมาว่าถ้ามีสติเอาใจยึดไว้กับคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าถึงกายของเราจะป่วยแต่ใจของเราจะไม่ป่วยเพียงแค่นี้ก็ทำให้ใจหยุดยัง้งมีหลักมีที่ยึดแล้วจิตใจก็สบายขึ้นอาจจะนำมาเป็นคําภาวนาก็ได้คือภาวนาไว้ในใจตลอดเวลาว่ากายป่วยใจไม่ป่วย ถึงกายจะป่วยแต่ใจไม่ป่วยทำนองนี้ภาวนายึดไว้บอกตัวเองอยู่เสมอใจก็จะไม่เลื่อนลอยเคว้งคว้างไปการรักษาใจด้วยสตินั้นก็คือว่าเอาจิตของเราไปผูกมัดไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดีงามที่ไม่มีการปรุงแต่งจิตของเรานี้ชอบปรุงแต่งเมื่อร่างกายไม่สบาย จิตใจก็ปรุงแต่งไปตามความไม่สบายนั้นทำให้มีความไม่สบายมากขึ้นหรือว่าจิตใจไปห่วงกังวลภายนอกห่วงกังวลเรื่องทางด้านครอบครัวห่วงลูกหลานห่วงกังวลเรื่องข้าวของทรัพย์สินอะไรต่างๆที่ท่านเรียกว่าเป็นของนอกกายไม่ใช่ตัวของเราโดยเฉพาะลูกหลานนั้นก็มีหลักมีฐานของตอนเองก็อยู่สบายกันแล้วตอนนี้ลูกหลานเหล่านั้น มีหน้าที่ที่จะมาเอาใจใส่ดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่หน้าที่ของผู้เจ็บป่วยที่จะไปห่วงกังวลต่อผู้ที่ยังมีร่างกายแข็งแรงดีท่านเหล่านั้นสามารถรับผิดชอบตอนเองหรือช่วยเหลือกันเองได้ดีอยู่แล้วจึงไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลตัวเองก็ไม่ต้องเป็นห่วงเช่นเดียวกันเราทารักษาใจไว้ได้อย่างเดียวแล้วก็เป็นการรักษาแก่นของชีวิตไว้ได้ เพราะว่าชีวิตของเรานั้นก็เป็นดังที่ได้กล่าวว่ามีกายกับใจสองอย่างโบราณกล่าวไว้ว่าใจเป็นนายกายเป็นเบากายนั้นรับใช้ใจใจเป็นแกนของชีวิตถ้ารักษาใจไว้ได้แล้วก็นับว่าเป็นการรักษาส่วนประเสริฐของชีวิตไว้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รักษาแต่ใจของตนเองอย่างเดียว รักษาใจได้แล้วก็ชื่อว่ารักษาแกนของชีวิตไว้ได้และดังที่กล่าวมาในตอนนี้ก็ต้องปลงใจได้ว่ากายนั้นเป็นเรื่องของแพทย์เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องกายมาพิจารณาแต่รักษาจิตไว้วิธีรักษาจิตนั้นก็รักษาด้วยสติดังกล่าวมาท่านเปรียบว่าสตินั้นเป็นเหมือนเชือก จะรักษาจิตไว้ให้อยู่กับที่ได้ก็เอาเชือกนั้นผูกใจไว้ใจนั้นมันดิ้นรนชอบปรุงแต่งคิดวุ่นวายฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์ต่างๆเหมือนกับลิงลิงที่อยู่ไม่สุขกระโดดไปตามกิ่งไม้จากต้นไม้นี้ไปต้นไม้โน้นเรื่อยไปพระพุทธเจ้าก็เลยสอนว่าให้จับลิงคือจิตนี้เอาเชือกผูกไว้กับหลักหลักคืออะไร หลักก็คือสิ่งที่ดีงามที่ไม่มีการปรุงแต่งหรือถ้าปรุงแต่งก็ให้เป็นการปรุงแต่งแต่ในทางที่ดีเช่นเรื่องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องบุญกุศลเป็นต้นเมื่อใจไปผูกไว้กับสิ่งนั้นแล้วจิตก็อยู่กับที่ก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่เลื่อนลอยไม่สับสนวุ่นวายถ้าจิตไม่ปรุงแต่งเลวไหลแล้วก็จะหมดปัญหาไป วิธีการรักษาใจที่จะไม่ให้ปรุงแต่งก็คืออยู่กับอารมณ์ที่ดีงามอยู่กับสิ่งที่ใจยึดถืออย่างที่อาตมาตได้กล่าวมาแม้แต่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยมาภาวนาว่าถึงกายของเราจะป่วยแต่ใจของเราจะไม่ป่วยไปด้วยหรือจะภาวนาสั้นๆบอกว่าเจ็บไข้แต่กายแต่ใจไม่เจ็บไข้ด้วยป่วยแต่กายใจไม่ป่วย ภาวนาแค่นี้จิตก็ไม่ฟุง้งซ่านไม่มีการปรุงแต่งเมื่อไม่มีการปรุงแต่งจิตก็ไม่ติดขัดไม่ถูกบีบจิตไม่ถูกบีบคั้นก็ไม่มีความทุกข์จะมีความปลอดโปร่งพองใสไม่ถูกครอบงำด้วยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนอกจากผูกจิตไว้กับสิ่งที่ดีงามหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่กล่าวมาแล้ว ก็คือการที่ว่าให้จิตนั้นไม่มีกังวลกับสิ่งต่างๆไม่ปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับความนึกคิดทั้งหลายหรือความห่วงกังวลภายนอกรักษาใจให้อยู่ภายในถ้าไม่รักษาใจไว้กับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำภาวนาอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็อาจจะเอาคำภาวนาอื่นๆมาว่าเช่นเอาคำว่าพุทโธมาคาว่าพุทโธเนี่ยเป็นคาดีงาม เป็นพระนามหรือชื่อของพระพุทธเจ้าเมื่อเอามาเป็นอารมณ์สำหรับให้จิตใจยึดเหนี่ยวแล้วจิตใจก็จะได้ไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปแล้วจิตใจนี้ก็จะเป็นจิตใจที่ดีงามพ่องใสเพราะว่าพระนามของพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระนามของผู้บริสุทธิ์เป็นพระนามที่แสดงถึงปัญญาความรู้ความเข้าใจความตื่นและความเบิกบานคาว่าพุทโธนั้น แล้วว่ารู้ตื่นเบิกบานพระพุทธเจ้านั้นทรงรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายรู้สังขารรู้โลกและชีวิตนี้ตามความเป็นจริงมีปัญญาที่จะแก้ทุกข์ให้กับคนทั้งหลายเมื่อรู้แล้วพระองค์ก็ตื่นตื่นจากความหลับไหลต่างๆไม่มีความลุ่มหลงมัวเมายึดติดในสิ่งทั้งหลายเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีความลุ่มหลงมัวเมา ก็มีแต่ความเบิกบานเมื่อเบอิกบานก็มีความสุขจิตใจปลอดโปร่งในความสุขจึงเป็นแบบอย่างให้แกเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายจะต้องมีความรู้เข้าใจสังขารตามความเป็นจริงจะต้องมีความตื่นไม่ลหลงไหลในสิ่งต่างๆไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายแล้วก็มีความเบิกบานใจปลอดโปร่งใจเอาอันนี้ไว้เป็นคติเตือนใจ แล้วต่อจากนั้นก็ภาวนาคำว่าพุทโทว่าพุทแล้วก็ว่าโธถ้ากำหนดลมหายใจได้ก็สามารถที่จะว่ากากับลงไปกับลมหายใจเวลาหายใจเข้าก็ว่าพุทเวลาหายใจออกก็ว่าโธหรือไม่กำกับอยู่กับลมหายใจก็ว่าไปเรื่อยๆนึกในใจว่าพุทโธพุทโธเป็นจังหวะจังหวะไป เมื่อจิตผูกรวมอยู่ในคำว่าพุทโธก็ไม่ฟุ้งซ่านและไม่มีการปรุงแต่งเมื่อไม่ฟุ้งซ่านปรุงแต่งจิตก็อยู่เป็นหลักเมื่อจิตอยู่เป็นหลักมีความสงบมั่นคงแน่วแน่ก็ไม่เป็นจิตที่เศร้าหมองแต่จะมีความเบิกบานจะมีความผ่องใสก็มีความสุขแล้วอย่างนี้ก็จะถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติ ต, ตามหลักที่ว่าจิตใจไม่ป่วย นี้ก็เป็นวิธีการต่างๆในการที่จะรักษาจิตใจอัตมากล่าวไว้นี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องหนึ่งในการที่จะรักษาจิตด้วยสติโดยเอาสติเป็นเชือกผูกจิตไว้กับอารมณ์เช่นคำว่าพุทโธเป็นต้นจิตใจจะได้มีหลักไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมีความสงบเบิกบานผ่องใสดังที่กล่าวมา อาตมาขอส่งเสริมกำลังใจให้โยมมีจิตใจที่สงบมีจิตใจที่แน่วแน่ผูกรวมอยู่กับคำว่าถึงกายจะป่วยแต่ใจไม่ป่วยหรือผูกพันกำหนดแน่วแน่อยู่กับคำภาวนาว่าพุทโธแล้วก็ให้มีจิตใจเบิกบานผ่องใสอยู่ตลอดเวลาวันนี้อาตมามาก็เอาใจช่วยขอให้โยมมีความเบิกบานผ่องใสตลอดการทุกเวลาเถิน